พระธรรมเทศนาจากดกเรืืองนาคเก่าคำภูติสิบสามเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูประเียนธรรมหกปรยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะสั สกโปธทสตังเนตวะกังสังคีปิตวาสัญหาสามะเนจัมปานาการาสีมังปโตอะหูสีตีสาธาวูดุราสปุริจตังาลตังยิ่งใจใหญ่น้อยอันยาทอยนำนา จุงจักดาฟังทีเราจักจี้จกไขลำดับไปบ่อขาดอันบ่เตาสกักราดอินตาเสเดจมาบ่อจ่า ก, กับเปตนาเป็นพรานนำดอโปที่านหนุ่มเราลัดป่าเศร้าดงตันคุนสาวรยศใหญ่สร้างบุญไว้ล่ปาง ก็ย่อหนตัางเฮือสันแสงบุญดันดงไพ่ยามตาวันใสย่อนห้อยจักกาดก้อยหายตาก่อพุมาตีไกแดนเมืองใหญ่จำปาดากอพลานดงดอนผู้เท่าแสงบอกเล่าคำบานว่าดูราลานเฮยอมเดาจุงไตเต้าเตียวไป สู่เวียงใจสืน่นาอย่าได้จ่าเรียวพันลุงจักพันเข้าป่าเปืือสโลากวางฟ้านของอลานนอน้อยสมไปหอยมโนในเจ้าจอมใจนอไทยกอน้อมใบนายพานไข่กำมวานตอบถอยมีบ่โน้ยหลายอันแล้วไผพันไตเต้บาบยหนาเข้าปุรี กันเจ้าหนี้ไปแล้วเต้าตนแก้วอินตากาะไก่กาขึ้นสู่ยังที่อยู่เหมืองบนกาะบีหันแลยนะส่วนนอโปที่ยันหยดยาวเรียบฟังเฝ้าพันภายตาวันหายตกต่ำลวดมืดค่าจนตาเจ้าไก่กาจะใจ ไปรอดกจเวียงใจจักเข้าไปบ่อใดผ้าตูนใหญ่ฮับตันจริงเตี้ยวพันสอสอดเข้าไปจอดศาลาอันผ า, า, าดยาสมบัตราตอันกอยกาดปา ร, ราเตามมาียวต่างม้าหิวหอดพงยังจอดนอนในน อ, นอจอมใจไปรู้ก็กเกาอูไข่จ้า ว่าคนได้จ้ามาก่อนเขายังยอนนอนในข้ามาไกนักแก่ขอแวแหวนอนจอมส่วนเจ้าจอมสมมติตราสัตต์ตาสวัสดุลายหันยังใจนมน้อยมาเกาทอยขอนอนพระผู้ทอนยดแยวจริงต้านเก่ากำไปว่านอนตามใจไฟอ้างสาละกว้างนำนา เราพงมาก่อนนาตาวันกว่าเร็วไวอิดเหลือใจอิ่วหอดจริงเข้าจอดสาลาบัตนี้นะตัวเจ้าใดมาเข้านอนจอม สองคนร่วมเป็นกู่จักได้ฟูจากกันสองจอมทันยอดใหญ่บอกขึ้นไขสังกาต่างไค่จ้าตอบทอยมีบัวน้อยลายพรการก่อมีหันและนะตาบัตถังปรกาเส้นตัวศรัทธาศรัทธาสัพปัญญูยอดซอยหันบาท้อยบาลีบุตรหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเตสะนาว่าอุาพจนาปิตาจ้าพุทโตจะดังนี้เป็นตน <c oughs> พิก้าเวดุราพิกคุทรงตนทารงสินใสบอส่อเศร้าเจือโคดเงาอริญาอุพจนาอันว่าเต้าตั้งสองพ่อลูกวิบากถูกต่อจน ได้หายหุนผากขางปัดกันห่างหลายปีเจ้าปุรีป่อเต้ามาจากดาวเดนไก่ส่วนใสใจดอลามาจากป่าดงดอนต่างอ้วนหิวหอดเขายังจอดสาลานอกจำปาเมืองใหญ่บ่อขึ้นไข่สงใสต่างจากไข่ก่าวถอยมีบ่อน้อยไหลภากการ ชาตินั้นพระผู้บานสมบัติราชอันก้อยกาดเมืองมาจริงพุทธชาทำต่อว่าดูราเจ้าหน่อยหนอใจรำเราขอามทวนทีเจ้าจุงจี้ตามมีเจ้าอยู่ปุรีต่างดาวคงเขตเต้าสั่งจาสันไดมารอดนี้ ยุงเกาจีปันฟังหนอปุธังยอดใหญ่ก่อคดเข้าไกไขจาว่าเรานีนาอยู่ห้องคงเขตต้องปาราณสี <c oughs> เป็นลูกเจ้าปุรียอดยาวป่อจื้อเต้าสมมาตัดราชาพระมารดาดันเล่าจือ่อนางหนอเนาพัตตาวดี เรานี่มีจือไว้ว่าเจ้านอไทยเฮมากุมมานคุนซึกห่านเฮ า, าหาดกบุป ร, ราดหอใจฮือโยธาในใจเศร้ายับป่อเจ้าเนื้อหัวกับตั้งตัวแห่งข้าและแม่ดอลาใสา่ใจใสไไ่แปะไหลลอยหลงไปตามต้องวังวนลมต่อจนปัดวาดลวดก้อยกาดเสียกัน นอจอมทันนมเหาก็ใครเล่าสุดปลายด้วยป ร, ริยายหลยแหล่ือเสียงแก่สังกาแล้วพุทธชาทำเหลาลุงไต่เต้ามาลายได้จำหมายหูข่าวว่าตันเต้าสมตตัดราจาและนางพาญาแม่ขาได้ความนาให้หน่นหหือตตกจนข้างคอง อยู่แห่งห้องแดนด้ขอจุงไครบอกก่าวหือห้อข่าวตาบีแดดเตอร์เมื่อนั้นสมมาตรราชฟังถ้อยวาดกำจาแห่งนอพุท ธ, ธอยอดซอยยินตำค้อยเลือใจซ้ำสงสัยลายแล แสงก่าวแกจะทมว่าดุราใจรำ่มเนาดังตันเล่าฟังมาเพื่อภาญยาสมมตัตราใดก้อยกาดเสียมเมืองห่อบุญเรืองลูกไทยอายุใดหกปี เจ้าปุรีก้อยกาจากพาสาทหอวใจจัดดับไปแต่ใส่สี่ปีไขมีปายเจ้าบุญผายลูกไทยย่อมอายุใดสิบ ป, ปีพี่แลมีดังอันตัวเจ้านั้นมูสาเหตุมีกาญาสูงใหญ่เตียงบ่อใจดีลี เจ้าบนมีหน่อเต้าจิงตานเก่ากำไปว่าข้าจะไขเก่าอือได้หูหันใส่ข้าอยู่ในป่าเศรอกับตานเจ้าทรงยานบ่ป้อนานแต่ใส่อายู่ได้สิบปีเจ้าเจียงจีบุนกว่างกึศไปอังคุณน้าจิงจากป่าตัวข้าไปสู่ป่าดงตัน แล้วภายพันไปสู่ยังที่โยนยักขาในกูหาทำใหญ่กลางป่าไม้ดงรีเจ้าเจียงจีบ่อจ้าฮือตัวขาลงดำในหนำคำมีเศษโยนได้เขตกูหาหันตันตาแต่ใส่ขาขึ้นใหญ่เร็วไววันณะใส่บ่อเศร้าบ่อเหมือนเก่าเดิมอ่อน พระพูทธนสมมาตราดฟังเจ้าน้อยนาฏไข่กำสั่งกานำแต่ก่อนก็ไม่ผ่อนใหน้หนีปีทีมีบ่อนอ้อยแสงกาวถอยกำไปวัดดูระใจแดนไกลต่างดาวแม่นปตาตตโอปิต า, านาธากันยากตุกลำบากเครื่องขีืฤเตวีแม่ไทยตกอยากไรเหลือลาย เจ้ายัางหม่เข้ากจดบน้อมไวทุนสาคำรุมราส่งยู่ฮือได้อยู่สัต ด, ดีจะรือเมื่อ น, นั้นเจ้าบุญมีหนอเต้าจริงตานเก่ากําไปว่าแม่นเจ้าหอใจตนป่อและแม่แก้วนอเตวีจะเครื่องขีกันหยาก ตุกลำบากสันได้ข้าบอกไก่สองเจ้าจักอยู่เฝ้ารุมราคาอาสาสรงอยู่เฮอได้อยู่เฉยย้านเจ้าถ้าโรงยานป่าไมคือเจ้าบุญใหญ่เกียงกี ไบ่วาติกาโอเฮอข้าหูลายหุนว่าป่อแม่ตนนั้นใสมีกุญใหญ่นำนาแม่นเครื่องกากันอยากเรือตกยากเครื่องเข็นรือกลายเป็นสัดถอยตัวใหญ่น้อยนานาลูกควรสาขับไมเข้าอยู่ไกลเอาใจปฏิบัติไปคำเจ้าจักบังเต้าตีขา บุญจากป้าส่งยู่หือได้โยสดาดีเจ้าเจียงจีเก่าไว้ว่าใจโลกใต้มีลายจักหาใจในเล่าเหมือนป่อเจ้าหรือมีจุมนารีลายแหล่จักเหมือนแม่มีไนมีคำาใส่บักเต้าเงินและเขาเต็มเนี้ยจักหาเมียซ้อนใต้ย่อมหาง่ายตั้นใจ ส่วนจักไป ส, ส่อใสหาเจ้าตีไวบุญนาคือสองขาพ่อแม่จักได้แต่แดนใดบ่มีไผยจากเก้ากับพระเป็นเจ้าสององค์ําเต็มทงเต็มไต้ซื้อนั่งไอมานอนซื้อมาปอนมาขี่แม่นแตนตีคุณลวงอยู่ในขวงภาษาแม่พามาตรสา ยังสองขาพ่อแม่ย่อมเตียงแต่ว่ำวายาค่ากึดหมยดังนี้จริงเลีกลี่ถอยหนจากไรสนเตียวสอดพดบารอดซาลาเปื่อกเสวแบงหาพ่อแม่อันภาคแต่เบือนนั้นกลางวังทานแม่ใหญ่แม่นลุงใดนินมา ว่าสองขาเจ้าฝ้าอยู่ต่างนาแดนได้ขอจุงไค่เกาหือขังเร็วไวแดดเตอร์เมื่อ น, นั้นผาญาสมมตต ร, ราไทยเสียงขาดสังกาคตเข้าหาตีไก่กอดเจ้าไว้บัดเดียวแล้วจ่าเรลีวบอกเรา ตั้งแต่เก้าถึงปลายด้วยป ร, ริญญาบอ่อน้อยหือเจ้ายอดซอยใสย่ใจได้หันใส่แจ้งขีบบ่มีตีสังกา <c oughs> นอบุตธนมนาวฟังปอ่อเจ้าไขาปั่นก่อนย่อมือพันใส่เก้าไว้ปอ่อเจ้าองค์คำแล้วไขกำตานต่อ ว่าคาเด็กพ่อผ้าาบุญหลังมาขึ้นขอบสนองตอบต้วตั้นหือลูกพันเตียวสอดเข้ามาจอดสาลาป้าพิตาป่อไทยสมใจไฟเรียวไว้ส่วนใสใจแม่เต้าตกอยู่ดาวได้จ้าพ่อพญายายังหูขอเก้ามาปัน เจ้าจันต์ตนป่อจริงก่าวต่อบุตตาวาดูราบุตตาเฮ้ยหนุ่มนากํำเขาเล่านันเนืองว่าเต้าบุญเร่องกาลวันณาราเจ้าภาษาจำปา น้ำนางมาขังไว้ในตีไก่ห่อใจเข้าจะใครเป็นแก่นว่ามีเหม็นสัจจังปอได้ฟังเขา้าเกาจริงฟังเฝ้าเตียวมาพงปิจารณดาดันสอดว่าวันผูกรอดยามง่ายจักผ่านภายเตียวต้องเข้าสู่ห้องปุรีสะหาเทวีแม่เจ้า ตามคำเล่าไขปันกึดบ่อตันจากเล่าเจ้าลูกแก้วสายตาได้พดมาต่อหน้าคำกึดกว่าพุทธหายเจ้าบุญภัยหนอเน่าฟังป่อเล่าไขจ้า เป็นตุกขาลายแหล่หนำตาแพผลลำไหลมีหัวใจสะต้อนว่าวรอนเววนดังไฟลน้นเอาไม่จริงตานเล่าไปไค่จ้า ว่าคาแดดพิตาพ่อเจ้าวันผูกเจ้ายมง่ายคาเดียวได้จักกว่าไปหาเจ้าฝ้าห่อใจขอใส่ใจแม่เจ้าปิกปอกเต้าขึ้นมาขอพิตาเจ้าพ่อจุงท้าพอดาหันเจ้าห่อจันสมมตตราสฟังถอยวากคำจ่าแห่งบุตรตาน่เน่าจิงตานเหล่ากำไป ว่าคนไก่ไก่เหล่า้าว่าตันเต้าจำปาคือผาญกาละวันณาราจใจห่าหาดป่านไฟบ่มีไผยพับใดพับแขวนไตปะทะวีขอสายปุรีลูกปอยากึดหมอเอาเบาว่าจักไปเอาแม่เจ้าเาตายเีาตายวไตเต้าเดียวได้ <c oughs> อย่ากึศหมายว่าง่ายภัยอย่าไรจักมีข้อใสปุรีน้อยนอจุงหือปอตัอยไปหรือใสใจลูกเตารอติเก่าสารปออาสาจักกว่าเอาแม่นอลาคนเดียวเจ้าตาเขียวหยดซอยจริงตอบท้อยปิตา ว่าขาปิจาราณาลืมเหล่าบ่แม่นการป่อเจ้าห่อใจบ่แม่นการภัยต่างหน้าแม่นเป็นการแห่งค่าดีดีเมื่อเครื่องขี่หล่แลมาถึงแก่ปิตาหรือมานดาแม่เจ้ากวโลูกเต่ารุมราคามอาสาเข้าไกลดับร่อนไม่แต่นองค์ เจ้าจีดุงสอนบอกเมื่อข้าออกเตี่ยวมาว่าการรุมร้าพ่อแม่เป็นบุญแต่เดือลายถึงย่ำง่ายผูกเจ้าข้าลูกเต้าจักไปหาสายใจแม่ไทยซอฮือไดดังข้าดิ้งเจ้าบุญปิ้งกล่าวแล้วเต้าตนแก้วปีตาจริงไครจาต้านต่อ วัดูรโลกรักหนอใจเดียวป่อได้เตียว ส, อส่อใหานางนาทติตวีและสายปูรีลูกเตาลายขวบเข้าวสซา <c oughs> เจ้าได้ลากผ า, ากออกมาจากไร่สนออกเตียวหนพัดแผ่ซอป่อแม่สองขาบุญนำปามาไข ได้ป้าใสหันกันปอยจากพันหลีกนาออกเดี่ยวกว่าเดียวปอยผิดจากร้อยแบบเป้ากันไต่เต้าเดีวได้อุนตาไรใหญ่ยยน้อยมักจ้องหอยติดปานสะหาหันนักล้ำมักขาดความเบื่อมอนไม่ดงดอนปอนหมูบ่ออาจอยู่นานไป ลมปัดไกวกิ่งการย่อมกลนก้านเป็นคอนนอผู้ทนยอดซอยจริงตอบทอยกำไปว่ากำอันใดพ่อเจ้าใดบอกเล่าไขปันลูกเล่งหันแจ้งขี่บ่อมีตีสังกาเตาวาพิตาป่อเต้าเกยภาพดาวปุรีญาสามีบ่ผ่อนตั้งแต่ก่อนเมื่อมา ตอนเป็นพาญาผาบดาวปอก็เป็นเต้าเสมยเมืองข่ากุนเรื่องเก่าเกลือบอใจเชือสามานกวนแต้มสาลบอกเล่าไปถึงเจ้าห่อใจ ขอเรียวไว้ปองปล่อยคือแม่ยอดซอยคืนมาลูกอ า, าสานำข่าวไปไว้เต้าตามมีกันเจ้าปุรียอดใหญ่ปล่อยแม่ไทยเรียวปัน เราควรผ่านไปสู่ยังที่อยู่เมืองลังแม่นตันยังใจถอยบ่วางปล่อยตามกำย้อนบัวดำมืดเจ้าเราควรเข้าเตจิงเอายังยิ่งแม่ไทยมาฮือได้ดังกีตานาสมมาตัดราชายอดยาวฟังลูกเก่าจะใครพิจารณาไปทวนที ก็เมนตีตามกองเต่าตั้งสองป่อลูกตาลอยถูกใจกันมีหลายอันหลายอย่างมีต่างๆนานายาเด็กมา่อยร้อยจริงจากหมวยหลับไปก็มีหันแลยนะ ผู้นาติวสในวันลุนรุ่งเจ้าสมปตัดเจ้าผู้บ้านก่อแต้มศาลบอจาถึงเจ้าฟ้าจำปาใครจีนยาเก่าวจีเหือแจ้งทีตามทำขอเจ้าหอคำยอดใหญ่ปล่อยนางดาทัยเตวีกันแต็มดีเปลี่ยนแล้ว ก็เหือลูกแก้วสายใจเรียบนำไปถวายเต้าตนหาเท้าใจหันนอบโถทีนน่ยันหนุ่มเนาก่อไว้เจ้าปิตาและออกไก่กาไว้ว่องเข้าสู่ห้องเวียงใจรเรียบเปยวไว้ย่ายบาทขึ้นภาษาดใส่สีโยธามิหนุ่มเท่าตัวพ่อเจ้าจอมหลัง นอกพุทธังไปรอเตียเจ้าอยอดผู้บาออ้านย้อนยังสารรีภาวเท้าวายแก่เต้าเรียวว้เจ้าห่อใจกาละวันนาราติพิท่อาจใจหาน อ่านลายสานสุดยอดสองตาตอดและมาพ่อโนพุทธบุญใหญ่เนนาไกสหาวหญีเขี้ยวข่าวจีนาวาดูระายถอยจ้าแด่นไก่ลายสานไข่บอกเล่าว่ามึงเป็นลูกเต้าสายตาแห่งพาญาสมมติราอันกอยกาดเสียเมืองมีกำเครื่องหมัดไม่ ตุกอยากไรอานาถายังตันหาดันสอดไข่ได้ยอดผัตาวัดดีเป็นเจ้าปุรีเสียเป่ากินข้าวเน่าเสียได้อย่ากึศหมายจากใดยังนางนาไทยโซฟาป้อมึงดันนะาเพียบไอวกือหากได้จ้างสารกำลังหานแต่ก่อนบัดนี้ผ่อนเสียงเงา กายเป็นหมาพูเท่านอนอยู่เฝ้าเตาไฟมึงจุงไปก่าูหือมันหูตามคำว่าบุญนำแต่ใสจริงจักใดนางมาเอวาดามวลหมูนำมาสูญยอปันปอบมึงมันบุญน้อยจริงกาดก้อยเสียนางกูบ่หวังด้วยง่ายจุงรีดไปนี่ไก่ เป็นมีใจใครใดจุงมาไว้ตีนกูกูอินดูจากตอดปันยังยอดนารีดอมูนียอดยา่ฟังกำเตา้าไขรจ้าเป็นพระรุษากายาบอสุภาพตามธรรมจริงไขรกำตานเหล่าว่ า, า, า, ว า, าคาแด่เจ้าพระจากำเต้าจ่าตอบทอง บ่ถูกจองกองทมบ่เป็นกำตันเต้าตนภาพดาวปุรีเป็นวาตถีตำโต้อยแห่งคนถอยสามานขอพระผู้บานที่รากยาภามาทวางใจว่าบ่ามีภัยเพียบใดพับแขวนไตดินด้านคนใจหานหาเท้ายิ่งกว่าเต้ายัางมี เจ้าปุรีป่อขาใดภาคนาเสียเมืองเตจเรืองบ่อยอนบ่าวาบอนแดนใดดังคำใส่กามากแม่นสูนกากดินทรายกายังลายบ่อยอน ใส่เอาบอฟองไฟหนิ่งซ้ำใสกว่าเก่าบ่มุนเสาเสียสี่เจ้าปุริยาจ้าปล่อยแม่ข้าบัดเดียวข้าจักเกี่ยวปอกสูยังตี้อยู่เดิมอ่อนบัดนี้แลยนะ อาตาในกาละนันไซต้าโอนยศใหญ่จำปาฟังกำจาตานต่อแห่งเจ้าหนอมูนี้เป็นดังตีกู้เฮาโคตไม่เอาเผาลน้นสองตามนมามาบ่าวคำราผ้าภายว่าดูระใจอ่อนน้อยมึงนี่ถอยสามานมาจ่า้านหลหลากโตดมึงหากถึงตาย มึงอย่ามายจักกว่าปิกปอกนาขึ้นหลังกูจักขังมึงไห้มัดคอใส่กังกาแล้วเคคาเจ้าคำฮือขาดความบำวาย <c oughs> ต้าพี่พายกล่าวแล้วก็เรียกพวกแกวโยธาอันปาลาถอยไรมาแวดไวบัดเดียวแล้วรีบเร็วป่งขาดอนุญาตวางปัน ว่าจุงเอามันขังไว้มันขอใส่กังกกาก้เอยเคขคาเตือน้อยอมันก้อบบำบว้มันจ่าลายบอกเล่าว่าเป็นลูกเตานางพัตวดี พี่แหละบีดังว่าสุยาจาเรียวปันจุงเอามันมัดไว้ในตีไก่กองตาแห่งนางปาลาบาบเสามันหันลูกเต่าเรร่นที่ยังย่อมตนเข้าไกล้ ออกูได้แปลงปิ้งและนาตีนัเสนาลายหนุ่มเทาก่อหลากเจ้าไปฟันเจ้าจอมขวัญยอดซอยบ่อตอบถอยไข่กรมเอาเขาคำกุนใหญ่สุขสอนไว้ในตัวเจ้าบอกกลัวและยานบ่อสะต้านภัยใดย้อนมีใจกุดสอดไข่หันยอดมานดา ว่าเต้ปาปลบาบาบใบขังแม่ไว้แดนได้เจ้าอดใจเย็นไว้บ่ร้องให้ใครจะฮือโยธ า, ามวลหมากจักจุงลากตามเปิงกันไปถึงห้องใหญ่อันอยู่ใตห้หอคำเสนานำนมเท้าก่อขังเจ้าบนมีไก่เตวีแม่ไทยฮือานางได้เล่งหัน เอาเกลียวปันขาดไว้ตัดคอใสกังกาหนอพุทธานุ่มนาหันแม่เจ้าเตวีสัญญามีจำได้ตุกเอาไมททองถม ส่วนอางอูดมยอดซอยหันลูกน้อยใสายตาบอ่อสังกาคึดสอดว่าเป็นลูกอ ย, ยอดใสใจย้อนมีไว้ใหญ่กานาหนอลาคนิ่งหมายว่าเป็นใจตดใหญ่ ต, ต้นจริงใสต้นดักกรรมนอคุณทาคึดรอถึงเจ้ายอดจีไพลตั้งจิตใจเือมัน ดาปากลั่นสามตีเสนามีมวลหมูอันแวดอยู่ใหญ่ใหญ่บ่มีไผ่ตวงใดจุกจันคว่จูคนมีตัวตนขาดางยืนตาข้างและจัน เจจอมควันดุมเนาเสกมนเป่าสามตีจุ่มเจือกมีน้อยใหญ่หลุดเสียงไข่กาญยาตั้งกังกาตกตอดคาแจกทอดตกซุนนอตนบุญเข้าไก่นางหนอไทยมันดาเสกกาถาสวักสวาเจือกมัดขาดเป้ปังโบมีสั่งคังไหวหมดเสียงไว่กาญยา นอพุทธายดใหญ่กอ้อมว้ไขรจ่าบอกมันดาแม่เจ้าฮือหูเก้าตามมีเอาเจือกดีหน่อยใหญ่มัดเสียงไข่เสนาใส่กังกาจูฟูแล้วฮืออยแต้นตนนอดตาสะพนนมเนาาป่าแม่เจ้าเทวีรีบถอยหนีลาภาคออกไปจากเวียงใจ พราสายใจพ่อเจ้าอันอยู่เฝ้าศาลาแล้วใครจะบอกเล่าหือพ่อเจ้าจูภาการก็มีวันนั้นแลยนะนีที่ตังขีญาสังวันนาณวิเศษจากห้องเหตนาเข้าคำผูกสิบสามก้อฟังตามติดต่อ เมื่อเจ้านอบุญนาน้ำมานดานี่พากออกไปจากเพียงใจจักไปในปลายนาอดอยู่ทาดาฟังก่อบังกุมสมฤตเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล